อ้าชมพูพูรู้สึกมันเหนื่อยมากเ้าค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับมันมีแรงที่มันจะดูจิตแล้วมันเหมือนกับว่ามันเข้าใจคือที่ผ่านมาเนี่ยความอกุศลมันเยอะค่ะทั้งความว้าวุ่นความกังวลหรือว่าอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามันมันมีตัวที่มันไปไปดูได้แบบที่ไม่ไม่ดิ้นไปตามอะค่ะ แล้วก็เหมือนกับว่ามันก็เข้าใจว่าอ๋อถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้จิตเขาทำงานแบบนี้ถ้าแบบนี้มากระทบจิตก็ทำงานแบบนี้อย่างเงี้ยสาคะเห็นไหมไม่ใช่เราทำงานนะและเนี่ยเราภาวนานะเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อจะถอดถอนทาลายความเห็นผิดว่ามันเป็นเราขันห้าเป็นเราภูเห็นไหมกายเขาก็ทำงานเขาเองจิตเขาก็ทางานเขาเองภูภาวนาได้ดีมากนะ ร่างกายเหนื่อยอยู่กับโลกมันเหนื่อยต่อสู้ดิ้นรนเหนื่อยธรรมดาวัยทำงานมันกระพู่ไปทําแคมป์เด็กมาอีกแคมป์นึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหนื่อยมากนั่งตรงไหนพวกก็หลับนั่งตรงไหนพวกก็หลับแต่ว่ามันก็ยังดูดูจิตลงไปได้เมอมันต้องอย่างนั้นแหละถึงจะเรียกว่าภาวนาปเป็นอย่างตอนนี้ที่ที่ทุกใจใช่ได้ดูไปสังเกตไหมมัน ใจมันถอดออกมาละเหมือนมันถอดอยู่โคลเลเยอร์เลยแต่ก็เห็นว่าที่ใจมันทํางานไออารมณ์ที่มันเกิดจริงๆมันมันก็ทุกข์มากเพียงแต่ว่ามันไม่มันมันอยู่ห่างออกมาเหมือนสักครึบหนึ่งข้างบนนี่ไงขันนะขันนะมันมีความทุกข์ทั้งกายทั้งจิตเลยมันมีแต่ความทุกข์ล้วนๆจิตที่มันพลากออกจากขันแยกออกจากขันนั้มันไม่ทุกข์ เนี่ยถ้าเราภาวนาจนถึงหนึ่งนะจุดหนึ่งนะจิตเราจะแยกขาวรเลยแยกขาวรแต่แยกแบบนี้ถูกต้องนะบางคนแยกแบบแยกแบบเป็นสองอ่ะอย่างนั้นไม่ถูกชมพูเข้าใจไหมที่ผมพ่อ บ, บอกบางคนมันแบบไปดึงออกมามีข้างนอกมีข้างในสองชั้นต่างกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ของชมพูเนี่ยจิตมันถอดถอยออกมาแล้วมันถอยออกมามันถอยออกจากโลกเหมือนบางทีมันไปเพ่งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อย่างเมื่อก่อนภูก็จะรู้สึกว่าทํำไมมันไปเพ่งแต่ตอนนี้เร้สึกเหมือนกับว่าอ๋อก็จิตเขาเขากลัวเขาก็เลยเพ่งของเขาเองนะคะคือจิตที่เดินมาถึงจุดนี้นะเรียกว่ามันมีสังขารู้เบกขายานมันเป็นญาณสูงที่สุดที่ปุถุชนจะทำสันเกตไหมจิตกับขันเนี่ยแยกออกจากกันแล้วแล้วก็ทำไมแยกออกมาได้เพราะมันมีปัญญามันเห็นว่าขันส่วนขันเห็นไหมขันไม่ใช่เราอ่ะขันมันทําของมันเอง ปัญญาตัวนี้นะเรียกว่าสังขารู้เบกขานะจิตที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าจิตซึ่งมีอุเบกขาสัมโพธชนะมีอยู่ไม่กี่คนนะที่ภาวนามาถึงตรงนี้ได้ในวัดนี้ก็มีครูบาอาแก่แม่ชีนุษนะจิตที่เป็นถอดออกมาเล ย, เยนะมีน้อยนะที่จะทําได้ส่วนใหญ่ยังตะลุมบอลหมดนะแต่ว่าของเสื่อมนะปูนย่า<ช>ตกใจ ตรงนี้ยังเป็นของเสื่อมอยู่เนี่ยถ้าภูปรารสนาพุทธภูมิไปเจอพระพุทธเจ้านะไปบอกท่านเนี่ยท่านอาจจะพยากรณนต่อไปนี้ยังไม่เป็นผู้หญิงอีกแล้วจะกลับไปเป็นผู้ชายให้อาร์ตไปเป็นผู้หญิงเลยผู้ดูออกให้จิตกับขันนี่มันแยกออกจยกกันโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะแยกแต่มันแยกเพราะปัญญา เหมือนด้วยความเข้าใจอะนะด้วยความเข้าใจด้วยตัวปัญญานั่นเองมันเกิดความเข้าใจมันเห็นวนะ่ามันไม่ใช่เราสักอันเดียวขันนะตอนนี้ชมพูก็อย่าไปคุยธรรมะ ก, กับคนอื่นค่ะหน้าที่ของเราเรารู้ของเราลูกเดียวเดี๋ยวหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนจะแห่ไปคุยกับชมพูทําให้ชมพูเสียหายดีพวกกลาบขอบคุณหลวงพ่อเรื่องเมื่อสองวันก่อนได้ยคยต่อ ที่ผ่านมาก็มีวิหารธรรมดูใช้ดูลงหายใจอย่างที่คราวที่แล้วเรียนท่านอาจารย์<ม>ก็รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่ามีสติขึ้นได้เองอแต่บ่อยขึ้นนะคะ่ะชมปูสังเกตไหมขณะที่เราหลงนะใจยังไม่ไหลเข้าไปรวมเลยเนี่ยใจมันมีปัญญามันทรงตัวอยู่อย่างนั้น เป็นอุเบกขาภาว่าอะไรเกิดขึ้นจิตก็ยังเป็นอุเบกขาอยู่งั้นเองไปหลงไปรู้นะแต่ไม่รวมเข้าไปหรอก<ฮ>เป็นภาวะที่อัศจรรย์แะในฝ่ายของปูุ่ชนนะตัวนี้สุดอัศจรรย์แลเป็นสิ่งที่คนนึกไม่ถึงนะคนทั้งหลายเวลาจิตไปรู้อะไรก็จะไหลไปรวมกันนะั้นเวลาลงมือปฏิบัติจะไปเพ่งทื่อๆอยู่นะั่นหรือไหลไปอยู่กับความว่างไหลไปไหลแล้วเข้าไปเสพ เห็เก่งไหมจิตเราไม่ได้ไหลเข้าไปมันหลงไปนะแต่ไม่ไหลหลวงปูด่ดวลถึงบอกกระทั่งพระอราหันเนี่ยมีจิตที่ส่งออกนอกแต่ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีจิตส่งออกนอกแต่ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวจิตมันไม่เสพอารมณ์จิตมันสักว่ารู้สักว่าเห็นภาวนานนะมาถึงตรงนี้แล้วโอกาสที่จะทาในชีวิตนี้เป็นไปได้แล้วอ่าว่าไงว่าไงปลื้มใจเขา มีใครอิจฉ้าสารภาพมามีไหมยกมือนี่มีผู้กล้าหารสี่คนนอกนั้นไม่กล้าหารหลายคนอิจฉานะหลวงพ่อเห็นตาวาววาวอยู่ก็ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นจิตมีเรี่ยวมีแรงนะมีแรงขึ้นก็จะใช้อนาปานสติดูไปเรื่อยๆได้ได้ เนี่ยผู้เห็นไหมมันไม่ไปรวมกันหรอกโดยที่เราไม่ได้เจตนาเลยแต่มันเกิดจากปัญญาเข้าใจงั้นเราล่วงทุกทุกได้นะมีปัญญามีปัญญาล่วงทุกได้คืออะไรอะไรคือทุกกายกับใจนี่คือทุกจิตมันพลากออกแก่กายกับใจจิตมันพลากออกแก่กายกับใจมันไม่ไปรวมกับกายกับใจกายกับใจเป็นตัวทุกแต่จิตตัวนี้ไม่ทุก จิตตัวนี้เป็นกลางสว่างสวัยอยู่อย่างนี้แหลนะตรงนี้มันเดินได้ไปถึงพ้านาคาเลยตนะัดจากนั้นต้องว่ากันใหม่ <c oughs> ดีนี่พักพวกคุ้งก็ใช้ได้ท่ามัตส ก, การหลวงพ่อช่ไหมะช่วงนี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรแต่ว่าพอพอย้อนกลับไปดูเนี่ยทุกครั้งที่มีอารมณ์กระทบ มันเหมือนว่าจิตมันไปดูของเขาเองอเขาจะรับรู้ตรงนั้นเองโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกับว่าเออมันต้องอย่างนั้นแหละคือไม่ความึู้เลยเหมือนไม่ได้ทําแต่บางตอนมันเป็นอย่าง้นนั่น<ย>นไม่ได้ไท<ำ>ําลวงพ่อถึงรังเกียจคำว่าทำมากเลย <c oughs> คำว่าทำนั่นแหละปิดกั้นเราไว้มันอยู่ที่คําว่ารู้ต่งหะกนี่สติมันระลึกรู้ขึ้นมานะรู้ไปรู้ไปมันเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราหรอกทางานได้เองเขารู้เต็มเหนียวแล้วนะ จิตมันจะวางกายวางใจมันจะอยู่ต่างหากมันจะมารู้กายรู้ใจอยู่ต่างหากคราวนี้กายเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ไม่ทุกข์แล้วธรรมชาติรู้ตัวนี้ไม่ทุกข์แล้วจิตใจก็ดิน้นรนวุ่นวายไปแต่ธรรมาชาติรู้นี่อยู่คงที่อยู่อย่างนี้เลยแต่ของเรามันยังเสื่อมได้จิตไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในชมพูออกดูออกไหมไม่มีนอกไม่มีไหนแล้วเห็นไหมมันไม่มีข้างนอกข้างใน ดีภาวนาจากเด็กขี้แยภาวนามันได้อย่างนี้อัศจรรย์วันนี้รู้สึกว่าจิตเขาพาไปดูในความรู้สึกว่าขันมันเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์ขขอะค่ะหลวงพ่อขัน<อ>มันเป็นอะไรนะเป็นทุกข์ขอะค่ะใ น, นตัวของมันบางทีมันก็หมุนอยู่ในนี้ค่ะเร็วๆแรงๆบางครั้งบางครั้งมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันถูกบีบคั้นมากๆเหมือนกับใจมัน มันจะมันเกือบจะระเบิดออกมาให้มันระเบิดตายตา ย, ตายไป <laughs> นะมันรู้สึกว่าแบบมันต้องสู้เลยไม่ถอยเลยมันหน่ายนั่นแหละมันหมุนจี๋จี๋จีทั้งวันเลยนะภาวนาไปถึงจุดหนึง่งเห็นเลยมันเกิดดับที่ยิบไปรอบตัว <c oughs> ใช่ใ ช, ใชแล้วมีแต่ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเลยอย <c oughs> หมุน จ, จ, จี๋จี๋จี๋ใจก็หน่ายออกไปนะ <c oughs> ถึงจุดหนึงอย่าเห็นแต่ความทุกข์ล้วนๆเลย ทุกล้วนๆต้องทนนะต้องทนอย่าถอยระเบิดก็ระเบิดตายก็ตายบ้าก็บ้าอ <นะ S 2> โอ๊ตต้องทำสมถะเพิ่มหรือเปล่าหลวงพ่อที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วทำเพิ่มก็ทำนิดหน่อยไม่ทำเยอะนะทำพอให้จิตใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกมารู้กายมารู้ใจไหมคนนี้เราไม่ส่งกันบ้านข้ามไปคนหนึ่งส่งแล้ว ตรงแล้วเหรอหลวงพ่อลืมแนละ้วดูสิไม่จำเลยนะจริงๆนะหลวงพ่อดูเมตตานะจริงๆหลวงพ่อไม่มีความอะไรอววรอะไรพวกเราสักนิดเลยพอหมดธุระคุยธรรมะจบแล้วก็ลืมไปเลยนะบางคนมาลาใปเมืองนอกสองสามปีนะรับทราบนะแป๊บเดียวรู้สึกมาอีกแล้วทำนะไมกลับมาไวจบแล้วไม่เคยนึกถึงเลย หลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมออกคไหมคะอย่าบังคับมันอย่าบังคับรูเ้เล่นเล่นบังคับเยอะไปนิดนึงนส่งไปใครไม่อยากได้ไม่ต้องกังวลนะไม่อยากได้ก็รับแล้วก็ส่งผ่านไปเอย่ามาเครียดครับที่ผ่านมาดูโทรศัได้ละเอียดขึ้นครับโทรศัเล็กๆน้อยๆก็เห็นได้ชัดขึ้นดีๆนะแล้วเห็นโมหะบา้างยังโมหะเป็นตัวที่ดูยากที่สุดครับ<อ>รู้เผลอขณะเนี้ยจิตมีโมหะรู้ไหม มันทื่อๆ อ, อยู่นิดนึงครับนะเนี่นคยค่อยๆรู้ไปหัดรู้สภาวะไปด้วยนะถึงวันหนึ่งเข้าใจเข้าใจก็เข้าใจจริงๆนะปัญญามันเกิดแล้วเข้าใจมันจะวางจิตมันอยู่ต่างหากเลยค่อยฝึกไปให้รู้สึกข้ามคุณตรงไปทางนี้ข้ามไปได้ไงเออสิ่งนี้อเอาไปเละก่อนนะ ก็หมูดนี้รู้สึกว่าเวลาที่เราตามรู้ความโกรธหรือความความทุกข์นะคะมันเหมือนว่าจะมีก้อนก้อนอะไรสักก้อ น, นใหญ่ๆอยู่ในใจซึ่งเมื่อก่อนก็รู้สึกแต่เดีนี้รู้สึกว่าก้อนมันใหญ่ขึ้นนะคะหลวงพ่อคือถ้าเราแค่จงใจปฏิบัตินะก้อนนี้ก็เกิดขึ้นก้อนนี้เป็นตัววิบากเป็นผลนะเป็นตัวทุกข์แล้วเป็นผลจากที่จิตทากรรมจิตมีตัณหามีความอยากขึ้นมาอยากทางไม่ดีก็ทากรรม ก้อนนี้ก็เกิดอยากในทางที่ดีเช่นอยากปฏิบัติแล้วจงใจข่มจิตไว้จิตหนีไปแล้วก็ข่มเอาไว้เงี้ยอันนี้ก็หนักนะเพราะงั้นไม่ว่าอยากทางดีอยากทางชั่วนะก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละตัววิบากตัวทุกข์เนี่ยแก้ไม่ได้เป็นผลผลต้องรับผลต้องชดใช้นี่เป็นการชดใช้กรรมของเรา ต่อไปเวลากิเลสเกิดให้มีสติรู้ทันลงไปเช่นอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่บังคับตัวเองไม่บังคับตัวเองไอ้ก้อนนี้ก็ไม่เกิดขึ้นมาเะฉะ้นก้อนนี้แก้ไม่ได้นะแต่ทีหลังอย่าไปทําอีกมันก็ไม่เกิดหลวงพ่อไปฟัดกับมันสมเดือนน่ยสู้กับมันใหญ่แล้วเราสังเกตนะจิตของคนทั่วไปเนี่ยมันจะมีก้อนอย่างนี้อยู่ยิ่งพวกกิเลสนาจิตใจชั่วยหยาบเนี่ยข้อนี้หนักมากเลย เป็นภูเขาเล่าวกาเลยบางคนไปไหนนะเหมือนแบกคลกตำข้าวรู้จักไหมคลกตำข้าวแบบโบราณจะรุ่นนี้ไม่เคยเห็นแล้วมันจะทำด้วยสูงนะขุดไม้ทั้งท่อนใหญ่ๆเลยขุดใช้สากใหญ่ๆสองอันเงี้ยกระทุงเงี้ยเนี่ยมันแบกหนักอย่างนี้จิตที่มันหนักขนาดนั้นนะภนู่มิของมนุษย์รองรับไม่ได้ตายไปมันก็ลงอบายเลย้เราคอรู้คอดูไปนะต่ไปก้อนนี้จะสลายไปนะถ้าเราไม่ไปปรุงขึ้นมา ใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับแบบพอเราตามรู้ด้วยด้วยใจที่สบายๆไม่ได้บังคับรู้มันเหมือนมันแตกออกไปทีละเล็กทีละเล็กใช่ใช่มันมันค่อยสลายตัวเพราะเราไม่ทําเพิ่มแต่แต่มันไม่ได้แตกแตกเปลี่ยงกระจายเราไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันต้องชดใช้กรรมไปก่อนจะค่อยๆสลายตัวไปกราบนมัสการครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับแค่อยากมากราบหลวงพ่อื อ่ะกลับเรียบร้อยะคุณตรง <c oughs> คนนี้มักน้อย <c oughs> มากลับหลวงพอ่อสาสามสี่วันนี้จะหลงแล้วก็เพ่งแล้วก็ลงพวังบ่อยครับจิตที่ลงพวังช่วงนี้เป็นปกตินะไม่ต้องตกใจเพราลงของเขาเองอะ่ะหน้าที่เราก็คอยรู้ไปช่วงหนึ่งก็คลายออกช่วงนี้ลงพวังธรรมดาดูนิดนิดหน่อยหนก็ลง หรือนั่งนะหลวงพ่อเคยเป็นนะขนาดนั่งคัตสมาธิเทศนะอย่างลงเลยเดินจงกลมก็ลงทำอะไรก็ลงลงตลอดเลยเราคลุ่มใจแทบตายเลยไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมบอกว่าอย่าสงสัยเลยให้รู้ไปก็เลยไปคิดถึงเมื่อวันก่อนที่หลวงพ่อบอกว่าแค่พอยของมันคือแค่หยุดหรือคำว่ายอมเนี่ยผมผมฟังอะไรนะหลวงพ่อได้แนะนามาบอกว่า ก็เพียงแค่รู้ไปเฉยๆก็คือเหมือนกับหยุดหรือว่ายอมแค่ยอมมันเป็น<ช>คีย์วันแค่ยอมนะมันไม่ดิ้นถ้าไม่ยอมมันจะดิ้นดิ้นเราก็ปรุงแล้วอะไรเกิดขึ้นยอมนะยอมไปอ่อนน้อมต่อธรรมะธรรมะฝ่ายกุศลเกิดขึ้นเราก็ไม่ทําอะไรมันยอมรับสภาพว่ามีธรรมะฝ่ายกุศลธรรมะฝ่ายอกุศลเกิดก็ยอมมันนะรู้ลูกเดียวแต่ไม่กิดสีน ศีลผิดไม่ได้นะศีลผิดเนี่ยอย่ามาพูดเรื่องภาวนาภาวนาไม่ขึ้นหรอกอย่านึกนะว่าไม่มีศีลแล้วจะภาวนาได้ทางนี้ลหละหมดยังขอหลวงพ่อชี้แนะทั้งนั้ น, น่ะค่ะง่ายดีนะฝ <laughs> ึกมาแบบไหน กายแล้วก็ดูดูที่เรียกเซนเซชันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลมหายใจดูดูกายอะค่ะดูกายดูกายต้องมีใจที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูนะใจต้องอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูเนียที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่ค่ะตะกี้ใช้ได้เนี่ยตรงเนี้ยใช้ได้อยาไปเพ่งนะอยาไปเพ่งกายให้ทื่อๆขึ้นมา ให้เราแค่เห็นร่างกายมันทำงานไปใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากคนไหนดูกายเนหลวงพ่อพูดเหมาเหมานะวันนี้มีเวลาครึ่งชั่วโมงเองคนไหนดูกายเนี่ยให้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวมันทำงานไปใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะใจเป็นแค่คนดูร่างกายทำงานอย่าเหลือแต่กายอันเดียวหลายคนภาวนาผิดนะภาวนาไปแล้วไปรู้ลมหายใจเหลือแต่ลมหายใจไม่มีความรู้สึกตัวจิตจมลงไปในลม บางคนดูท้องพองยุบนะเหลือแต่ท้องจิตไป เ, เพ่งอยู่ที่ท้องมันต้องมีจิตยอยู่ต่างหากการแยกกายแยกใจเนี่ยเรียกว่านามรูปปริเฉษทะยานก่อนที่จะขึ้นวิปัสสนาเนี่ยยาณที่หนึ่งต้องมีนามรูปปริเฉทะยานแยกรูปกับนามออกจากกันให้ได้ก่อนรูปประธรรมอยู่ส่วนหนึ่งนะนามธรรมาเป็นคนดูเพราะฉะนั้นเราเห็นร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลย เพราใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากดังนั้นต้องพยายามนะคนไหนที่หัดรู้กายเวลารู้ลมหายใจอย่าเงี้ยอย่าให้จิตไหลไปจมอยู่ที่ลมหายใจให้จิตอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจไปจิตเป็นแค่คนดูบางคนดูท้องพองยุบก็ให้ร่างกายมันพองยุบไปจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากคนไหนเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินไปจิตเป็นคนดูอยู่อย่าไปเพ่งใส่เท้านะ จะไปเพ่งเท้าจนกระทั่งไม่รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตเนี่ยจิตไปรวมอยู่ที่เท้าเป็นสมถะนั้นส่วนใหญ่ที่ทํานั้นได้แค่สมถะจิตถลําลงไปจิตไม่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธินี่แหละเป็นของสําคัญมากถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิไม่สักว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยจิตจะถลําลงไปไปรู้อารมณ์แล้วก็ถลําไปรู้อารมณ์แล้วถลํามันจะไม่สามารถเห็นอารมณ์ทั้งหลายตามความเป็นจริง จิตมันจะไปแช่นิ่งๆซื้อบื้ออยู่อารมณ์อยงั้นไม่เกิดปัญญาได้แต่ความสงบเพราะฉะนั้นคนไหนดูกายนะรู้ไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูอย่างนี้เรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยร่างกายมันก็เคลื่อนไหวของมันไปเรื่อยจิตใจมันก็ทํางานของมันไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้สักอันเดียวทั้งกายทั้งใจ <S <S ทํำวิปัสสนาไม่ใช่รู้กายอันเดียวหรือรู้จิตอันเดียวทํำวิปัสสนาจริงๆไม่เหมือนสมถะสมถารู้อันเดียว ให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวแต่วิปัสสนาเนี่ยบางครั้งสติรู้กายบางครั้งสติรู้จิตเลือกไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตนะเมื่อรู้กายแล้วก็ให้เห็นความจริงของกายนะจิตเป็นแค่คนดูอยู่เห็นความจริงร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุนะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราเหรอกจะเห็นทันทีว่าไม่ใช่เรานะแต่ยังเราไปเพ่งท้องฟองยุบไปเรื่อยๆมันจะไม่เห็นว่าไม่เป็นเราจะสงบไปเฉย เพราะงั้นใจจะต้องตั้งมั่นเป็นแค่คนดูอยู่ของคุณตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะจิตขณะนี้ไปทาผิดละจิตติสมถะนะตรงนี้ไม่เอาเลยนะเลิกเลยเลิกฮะทำได้ยังไงที่จะไม่ให้ผิดให้รู้ทันมันมแล้วอย่าไปทําเหตุที่จะทําให้มันติดคือกรรมฐานที่ทําอยู่นะหยุดไปก่อนเพราะว่าทําให้เราติดเห็นไหมมันติดสมถะนะมันไม่ใช่วิปัสสนา ที่ทำอยู่ที่เรานึกว่าวิปนะัสสนาจริงๆสมถะเมื่อกี้ใจไหลไปคิดแว บ, บหนึ่งทราบไหมไม่ทราบไม่เป็นไรใจกลับไปทื่อๆ อ, อีกแล้วรู้สึกไหม เ, เลิกซะตรงนี้ตรงนี้แหละที่ติดสมถะอยู่เอ อ, อเก่งๆนะหลุดอยู่ได้หลายขนาดแล้วเริ่มกลับเข้าไปอีกแล้วดูออกไหมอ อ, ออกมาอยากเข้าไปตรงนี้แหละที่ผิดอยู่ อ, อต่อไป ส่งกันบ้านครับเว่ามาก็ส่งกันบ้านครับเออว่ามาสิก็หรือจะส่งในใจก็ช่วงนี้รู้สึกรู้สึกตัวมากขึ้นครับใช่ที่รู้สึกอยู่ถูกต้องเราด้วยนะครับเห็นกิเลสเยอะแยะเลยวันวนหนึ่งดู อ, อกไหมออกครับกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยดีครับใช้ได้ละข้างหน้านี้นะหละมีไปไม่ได้ส่งกันบ้านเอาภูมิก็ได้เอา ตามรู้ได้ทันพอพอประมาณนะครับหลวงพ่อพ อ, อะไรนะตามรู้ทันพอประมาณครับเออมีหลงมีมัช<ม>ชิมาด้วยนะบางวันมันจะรู้สึกเหมือนกับโมหะมันเยอะครับอมองไม่เห็นเลยเถ้าเวลาจิตมีโมหะมองไม่เห็นนะให้รู้ว่ามีโมหะมองไม่เห็นไม่ต้องอยากเห็นถ้าอยากเห็นทำผิดละมันมัวลนะดูไม่รู้เรื่องรู้ว่ามัวรู้ว่าดูไม่รู้เรื่อง ใจอยากจะดูให้รู้เรื่องรู้ว่าอยากใจเป็นไงรู้ว่าไม่ใช่นะหลงไปแล้วเราเอ่อตอนนี้หลวงพ่อดูให้ได้ไหมครับเตอนนี้<ง>อะไรนะดีดยังครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ดีครัตอนนี้กำลังจดจ่อรอคำตอบอยู่ <c oughs> ดูออกหรือยังภูมิใช้ได้แล้วดีแล้วล่ะใช้ได้ รู้สึกมันยังรู้อยู่นอกๆ อ, อยู่อะค่ะหลวงพ่อมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะค่ะนะพุโทโธไปก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธนะเราใจเราฉลาไปเรารู้ไปรู้ได้ทำใจสบายอย่าอยากดีอยากดีแล้วไม่ดีหรอกความอยากเกิดแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาอส่งไปเลยไปใครก็ได้แล้วแต่เวรแต่กรรมรู้รู้สภาวะทุกข์อะ ทุกๆสภาวะ ท, ที่เท่าที่เราจะรู้ได้นะคะบางสภาวะก็แบบก็ขาดหายไปนานก็รู้ว่าหลงนะคะแล้วช่วงที่นั่งสมาธินะค ะ, ะจะไม่นิ่งอยู่จุดใดจุดหนึ่งะคะ่ะจะมีตัวรู้อยู่เฉยๆแล้วก็รู้ว่าได้ยินเสียง ร, รู้ว่าได้กลิ่น ร, ร, รู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดเนี้นะคะแบบนี้ถือว่าเป็นการนั่งแบบสมาะหรือเปล่าเจ้าคะ ก็ลำพังรู้ว่าได้กลิ่นรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดนะคนทั่วๆไปก็รู้ได้ใช่ไหม ค, คนทั่วๆไปนั่งนานเขาก็รู้ว่าเขาปวดนะให้เรารู้ลึกซึ้งลงไปอีกเช่นพ อ, พอมันปวดแล้วเรากระวนกระวายใจให้รู้ว่ากระวนกระวายใจแต่ถ้าทุกทสภาวะที่ระหว่างที่เรานั่งอยู่เราเร า, เรากายเราจะกายเราจะเบาเบสบายสบายแล้วเราก็จะรู้ทุกอย่างอยู่นะมันเปนิ่งนิ่งอยู่ ไม่ดีนะไม่ดีเลยค่ะได้สมถะดีเหมือนกันอ่ะดีอย่างสมถะพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันให้มากมากเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกไหมใจมันอยากพูดมันมีมันเพเยตัวขึ้นมามันกระเดิดขึ้นมาแวบเนี่ยเนี่ยให้รู้ไปคล้ายคล้ก่อนมีมีแรงดันนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหละคือตัณหาตัวนี้เป็นตัวสั่งเราสั่งให้ดูสั่งให้ฟังสั่งให้คิดสั่งให้ปฏิบัติตัวนี้สั่งทั้งมันเลย ต่อไปนี้ถ้าตัณหาเนี่ยเห็นไหมความอยากพูดฝุดขึ้นมาเมื่อกี้ให้มันฝุดขึ้นมานะให้เรารู้ทันมันไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราอยากอยากจะทําในสิ่งที่ดีนะคะเรารู้ว่าเราอยากอย่างเงี้ยขนาดที่อยากเนี่ยนะอกุศลเกิดแล้วถึงจะอยากทําสิ่งที่ดีอกุศลเกิดแล้วให้รู้ก่อนว่าอยากเพราะอกุศลคือความอยากดับไปแล้วเหลือเหตุผลแล้วสมควรทําก็ทําล้วไม่ได้ทำเพราะอยากนะ ทำด้วยเหตุผลนะเผลอแล้วรู้สึกไหมต้องหัดรู้สึกตัวนะใจมันยังไม่ค่อยรู้สึกมันกระโดดเร็วรู้สึกไห้ใจเราแหวไหยมากเลยโดดวุบวับวุตลอดเวลาให้รู้ไปว่ามันกระโดดไปกระโดดมาไม่นิ่งไม่นิ่งน่เียกลับไปเพ่งให้นิ่งแล้วตรงนี้ก็ไม่เอานะใช่ เออแลมันสมาธิที่เราฝึกเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิที่เอื้ออำหนวยให้เกิดสติเราฝึกให้ใจนิ่งพอเราฝึกให้นิ่งเนี่ยพอเราเลิกฝึกเลิกบังคับนะมันจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติมันเหมือนเด็กนะเราจับมันมามัดไว้พักหนึ่งแล้วพอปล่อยเชือกนะเด็กก็วิ่งเร็วเลยเ พ, พยายามรู้ในชีวิตประจําวันให้เยอะเยอะเยอะให้เยอะ ใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงเราคอยรู้เรื่อยๆตาเรามองเห็นไม่ใช่รู้ว่าเห็นอะไรอย่างนั้นใครๆเขาก็รู้นั่งอยู่แล้วเมื่อยใครๆเขาก็รู้นั่งแล้วเมื่อยแต่พอนั่งแล้วเมื่อยใจเรากระสับกระส่ายเนี่ยรู้ว่ากระสับกระสายแล้วนั่งแล้วเมื่อยใจเราไปทําสมาธิเพ่งให้ทื่อๆเฉยๆใจเพ่งไว้เฉยๆรู้ว่าไปเพ่งไว้เฉยๆใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวมันได้เดินต่อได้กลับเรียนหลวงพ่อนะคะาการนั่งสมาธิเริ่มต้นเนี่ยถ้าจับลมหายใจระยะหนึ่งแล้วก็ทิ้งลมหายใจมาจับความว่างถ้าจับความว่างได้แล้วสมควรจะกลับไปจับลมหายใจไหมหรือจับอยู่ที่ความว่างก็อยู่ที่ความว่างไปก่อนแล้วก็เห็นอีกนะความว่างก็ไม่เที่ยง mm hmm. ต้องดูไปนะความว่างเกิดขึ้นได้ความวุ่นวายก็เกิดได้ดูไปทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยง พอจับความว่างได้แล้วเนี่ยสักร ะ, ะยะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกคะมันจะเกิดสงสัยขึ้นมาเช่นเอ๊จะทําอะไรต่อดีนะ mm hmm. ให้รู้ความเปลี่ยนแปลงเลยตรงนี้ไม่ว่างและว่างที่เราจับอยู่นี้ไม่ใช่ว่างของจริง mm hmm. ยังเป็นว่างที่คู่กับความวุ่นวายอยู่ตอนไหนมันไม่วุ่นมันก็ไป็นว่างๆอยู่จิตที่ไปเกาะนิ่งๆอยู่กับความว่างเป็นจิตที่ทําสมถะนะสมะถะกรรมฐานที่ใช้อารู ป, อ, ร ป, อ, รปอารมณ์ที่เป็นอรูปอ่ะ เป็นอารมณ์ใช้ความว่างเป็นอารมณ์พอเราจับอยู่กับความว่างมากๆเข้าเนี่ยเราจะเห็นข้างในมีความคิดนึกไหวขึ้นมาบางคนไปเพ่งใส่ตัวความคิดอีกนะทิ้งตัวว่างไปพอตัวความคิดดับก็จะไปจับที่ความไม่มีอะไรเลยนี่เป็นเส้นทางเดินเข้าอารูปฌานไปเรื่อยเพราะงั้นพอใจเราไปอยู่ที่ว่างเรารู้ว่าอยู่ที่ว่างใจเราถอยออกจากว่างให้รู้ว่าถอยออกจากว่างแล้วใจเราเป็นไงรู้ลูกเดียวเลย ให้ส่งอารมณ์อยู่อย่างนั้นแล้วจะเกิดขึ้นต่อไปเองเหรอคะมันเกิดเองแหล ะ, ะแต่ว่าถ้าดีที่สุดนะก็อย่าไปส่งไว้มันเสียเวลานะก็คือไม่รู้จะทําอะไรต่อไปเพราะมันว่างแล้วอะค่ะเออว่างก็ดูไปว่างก็ไม่เที่ยงว่างก็ไม่เที่ยงดูไปคือถ้าเราฝึกมากๆนะเราจะรู้สึกว่าความว่างเที่ยงในสุดเราจะเอาความว่างนี้เป็นที่พึ่งเวลาเราตายไปจิตเราจะไปอยู่กับความว่างนี้ เขาเรียกว่าอาการสานันจายตนะจิตไปอยู่กับช่องว่างความว่างเป็นอารูุ ป, ปรพรบโลมค่ะงั้นพอคัในขณะที่จิตว่างที่ทรงสมาธินะคะกับว่างในขณะช่วงลมหายใจต่อหายใจเข้าแล้วมันมีช่วงช่วงต่อช่วงหนึ่งที่ว่าง อ, อาอารมณ์เดียวกันได้ปะคะโคแลนกันอันนั้นไปส่งไว้ส่งไว้ยาวเท่าไหร่ก็ได้เป็นวันๆก็ได้ส่งไว้กับความว่าง อันนี้เป็นรอยต่ออย่างใจเราหายใจออกไปใช่ไหมแล้วก็จะว่างๆไว้แว บ, บหนึ่งเดี๋ยมันหายใจมันเปลี่ยนว่างอีกแวบหนึ่งช่วงช่วงว่างอยู่แป๊บหนึ่งนั่นคือเสี้ยวของชีวิตนั่นคืออะไรคะก็เป็นสมาธิเหมือนกันตรงนั้นคือสมาธิใช่ไหมคก็สมาธิเหมือนกันแต่ว่าความว่างในขณะที่จับอยู่ในอารมณ์นั่นคือสมถะใช่ไหมคะคืออั ป, ปนามันแนบแน่นนะถ้ามันไปจับแน่นอยู่กับ ความว่างเลยจิตทรงอยู่งั้นได้เป็นวันวันเลยอย่างนั้นคือสมถะกับกบารสมาสมาธิคือ <c oughs> อย่างนี้หายใจออกไปหายใจเข้าสังเกตไม้มจิตมีความว่างเกิดขึ้นเป็นช่วงช่วงนี่ดูไปเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่าง<ม>ดูไปงี้นะจิตอย่างนี้มันเดินตัญญาได้<ม>เห็นมันเกิดดับดูออกไม้มความว่างนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับดูไปเรื่อยๆนะ ถ้ามาจับตรงนี้จะดีกว่าไหมคะดีกว่าแต่ถ้าต้องการพักผ่อนี่ก็จับข้อความว่างยาวๆไปเลยถ้าต้องการเดินปัญญาต่ออยากเข้าไปอยู่ตรงนั้นเสียเวลาหลวงปู่ ม, มั่นเคยสอนนะบอกว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยไปติดความว่างเฉยๆอยู่เสียเวลาค่ะกับหลวงพ่อนะคะตอนที่เข้ามาเนี่ยหรือว่าไปบางสถานที่เนี่ยในความรู้สึกเหมือนว่าบนศรีศรษะจะวูบขึ้นมาเหมือนขนหัวลุ ก, กอะต่ไม่ใช่อะ่ะ แล้วก็เบาหรือบางครั้งก็นหนักแต่มีความรู้สึกว่ามันมีสัมผัสอยู่บนใบหน้าศรีรษะสื่อความหมายถึงอะไรคะก็จิตเรามันไวรับรู้สิ่งแวดล้อมได้อย่างบางที่เราเดินไปนะอยู่ๆขนหัวลุกเลยนี่ตัวนี้ผีดุ <c oughs> <c oughs> บางที่เข้าไปนะโป่งโล่งไปหมดเลยนสบายคือสภาพแวดล้อมมันเป็นอย่างนั้นแล้วที่เข้ามาที่นี่สื่อถึ ง, ถ ง, ถ ง, ถงอะไรคะ อ้าวแล้วเป็นยังไง MM <co. S 2> อ่ะก็พ่อไม่ทราบนะฮะไม่ทราบจิตตัวเองใช่ว่านั่นคือสื่ออะไรแต่มันมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาจะว่าปิติก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะว่าอะไรคือ <c oughs> ไม่ท ร, <ต>ราบคือใจเราไปสัมผัสที่เนี่ยนะมันจะโล่งว่างสว่างค่ะมันจะกว้างขวางเบิกบาน <c oughs> คือทราบว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่ทราบว่าสื่อนั้นคืออะไระไหรือว่าจ ะ, หนนะให้ดําไม่ต้องไม่ต้องทราบก็ได้ นะแค่แค่ทราบว่าจิตเนี้ยเราบังคับมันไม่ได้มันจะออกมารู้มาเห็นอะไรข้างนอกเราก็ห้ามมันไม่ได้<ช>อยา่าไปสนใจสิ่งภายนอกให้เราเรียนรู้เข้ามาที่กายที่ใจของเราพรนะพุทธเจ้าสอนบอกว่าให้รู้ทุกคือให้รู้กายให้รู้ใจของเราเราในฐานะเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้านะเชื่อท่านเถอะอย่าไปเรียนของนอกมาเรียนรู้ในกายในใจนี้ค่ะหลวงพ่อว่าเป็นการสื่อที่ไวใช่ไหมคะ แต่ลูกมีความสุขว่าเวลานั่งสมาธิลูกนั่งไม่ได้มันมันมันเหมือนกันไหมฮะอย่าไปอย่าไปทำมันเลยนะลดการนั่งลงแล้วก็พยายามมาฝึกสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆยิ่งถ้านั่งอย่างนี้นะดีไม่ดีเทีเ่ยวรู้เทีเ่ยวเห็นอะไรก็ได้เดี๋ยวยิ่งยุ่งใหญ่คือจิตเนี่ยมันจะออกรู้ข้างนอกได้ <Okay. S 2> พยายามรู้กายรู้ใจตัวเองไนะ้เราพ้นทุกข์ได้เพราะเรารู้กายรู้ใจตัวเอง แ ต, แต่พยายามนั่งสมาธิรู้ตัวเองว่ายัางด้อยมากค่ะไม่ต้องนั่งก็ได้คนด่าแล้วโมโหเห็นใจที่เดือดเล่าๆๆ เ, เนี้คนชมแล้วใจเราพองรู้เจ้าใจมันพองขึ้มารู้ที่ใจอย่างนี้แปลว่าตัวตัวเองนี่ไม่ถูกฉลอกับการนั่งสมาธิใช่ไหมไม่ถูกกนะมันจะน้อมไปมิจฉาสมาธิง่าย ถ, ถึงพยายามนั่งมาตลอดชีวิตแต่ก็รู้ตัวว่านั่งไม่ได้ค่ะจริงๆอะ่ะจิตไปติดสมาธิอยู่ แต่ว่ามันไม่ได้นั่งอย่างที่เรานึกเท่านั้นเองใจเราเป็นนิ่งๆว่างๆนะนะั้นแะมันก็เป็นสมาธิอันหนึ่งรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันให้เยอะๆน ะ, ะวัสวรคารหลุงพ่อครับก็ผมฝึกอยู่ครับก็ก็คือไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าอ่ะครับก็คือว่ า, อาเออก็รู้ว่าตัวเอถูกแล้วล่ะที่ฝึกอยู่ถูกแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อเฉลยให้เลยนะเนื่องจากเวลาจํากัดที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้ว ค, คอยรู้ไปเรื่อย แล้วก็เพิ่มก็ลดก็เพิ่มหรือว่ามีอะไรต้องแก้อีกไหมครับหรือว่ า, วาไม่ต้องแก้ให้รู้ลูกเดียวแต่ว่าลดความจงใจลงนิดนึงครับตั้งใจแรงไปนิดนึงตอนเนี้ครับแล้วอย่างเวลาผมทําสมปะขาอเงี้ยครับเวลารู้ลมหายใจเงี้ยครับควรจะแบบเวลาคล้องคุทธโคนในใจเนี่ควรจะคล้องพุทโคน ท, ท, ค ท, ท, ที่ให้สัมพันธ์กับลมหายใจไหมครับหรือว่าให้คล้อง ห้งพุทธแยกกระลมหายใจเลยครับเราจะเอาอันใดนหนึ่งก็ได้จะเอาพุทโธควบกระลมก็ได้นะเอาพุทโธควบกระลมส่วนมาเป็นสมถะเลอย่านิ่งๆถ้าเราพุทธโถอันเดียวหรือหายใจอันเดียวนะยังพอพลกเป็นวิปัสสนาได้ง่ายหน่อยครับเช่นเราพุทโธพุทโธจิตแอบไปคิดแวบรู้ทันพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ทันพุทโธจิตสงบรู้ทันพุทธโถเรารู้ทันจิตเราจะรู้เลยจิตนี้คือตัวพุทโธตัวจริงคําว่าพุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาเท่านั้น ตัวจิตเราคือปลาก็คือท่องเร็วๆก็ได้ก็ขอให้ให้แวบก็รู้แค่นั้นใช่ไหมครับทําไมต้องท่องเร็วเพราะกลัวจะแวบอ๋อเพราะงั้นเวลาที่เราต้องการทําความสงบแล้วใจเราคิดมากมันฟุ้งซ่านมากนะเราท่องพุโทโธเร็วๆพุโทโธก็คือความคิดนั่นเองพุโทโธเป็นความคิดอย่างหนึ่งแทนที่จะปล่อยให้คิดร้อยเรื่องพันเรื่องให้มาคิดคําว่าพุโทโธนี่พอมันใจมันดิดดิ้นจะหนีเราพุโทโธเร็วๆไว้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป แต่พอใจสงบล้วก็พุทธโทรสบายๆไม่ต้องรีบร้อนนะ ร, รีบร้อนใจไม่สบายบแล้วก็พุทโทรพุโทโธไปนยเนี่ยคนที่ว่าไปดูความว่างอ่ะหนีไปแล้วลืมตัวเองแล้วลืมกายลืมใจตนเองนะพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจไว้ครั บ, รบอ่ะส่งไปเลยไปทางไหนก็ได้ช่วงนี้ก็ท่องพุทธโทนกันครับ อะไรนะช่วงนี้ก็ท่องพุทโธพุทโธอยู่เหมือนกันนะนี่วันนี้ชาวพุทโธเยอะมาจากไหนกันอยู่ที่ศิลัชานะครับอะไรนะอยู่ที่ศิลัชาเนี่ครับศิลัชาครับท่องพุทโธนะพุทโธทําได้หลายแบบพุทโธให้เป็นสมถะก็คือเรามาคิดคําว่าพุทโธเพื่อไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นอีกอันหนึ่งเราพุทโธเพื่อจะพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดปัญญาเราพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธแล้วคอยรู้ทันใจตนเอง พุโทโธแล้วจิตไปคิดก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านเนี่ยตอนนี้จิตไหลไปคิดแวบหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะคือท่านอาจารย์บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์อยู่ถ้ำหาพึ่งชัประการเชียงใหม่ท่านเคยสอนบอกพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจพุโทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุโทโธแล้วให้มารู้ทันใจตัวเองไม่ใช่พุโทโธแบบนกแก้วนกขุนทองไปเรื่อยๆ งั้นนกแก้วมันก็พูดโทได้นะเราพุดโทให้มันฟังเดี๋ยวมันก็ร้องพุดโทพุดโททั้งวั น, นใจมันไม่ถูกนะงั้นมันไม่บรรลุอะไรของเราพุดโทแล้วเรารู้ทันใจไปอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมเนี่ยให้พุดโทแล้วรู้เนี่ยพูดโทแล้วกํลาลังบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมเออเราก็ไม่บังคับอย่าฝึกบังคับตัวเองแล้วก็อย่าลงไปนานเ น, นี่ยกลับมาบังคับแล้วทราบไหมตรงนี้เลิกซะ นะหลวงพ่อเสียเวลากับตรงนี้ตั้งนานการกลาบนมัส ก, การหลวงพ่อครับคือจะมาส่งการบ้านคือว่าที่ผมปฏิบัติอยู่คือว่ารู้รู้ได้ก็รู้รู้ไม่ได้ก็ปล่อยไปนะครับไม่ถึงว่าผมยังอแต่ผมอยากจะทราบว่าตอนนี้ยังอยู่ก็ร่องก็ลอยไหมครับอยู่นะแต่มันยังอยู่น้อยไปหน่อยครับ <c oughs> นะอย่าให้มันหลงนานนักก็แล้วกันนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้ว อานมเสื้อแดงใจลอยไปแล้วกล่าวณมาส ก, การหลวงพ่อค่ะดิฉันมาเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกดีที่ได้มาวันนี้เออเอแค่นี้เนะเาะรับทราบกล่าวณมาส ก, การค่ะหนูรู้สึกว่ามันหลงบ่อยอะค่ะเออหลงบ่อยหรือหลงนานก็บางครั้งก็นานเลยค่ะแล้วกว่าจะมารู้อีกทีนึงก็ มันก็มันก็นานมากอะฮะค่ะแล้วบางทั้งก็อยู่ๆก็อยู่ๆก็นึกอยากสวดมนต์ก็สวดๆมาจนกระทั่งบางทีก็นึกว่าเออเราทําไมอยู่ๆเราก็มาสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งๆที่ทํางานอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราสวดในใจเราไปก็ได้นะสวดในใจค่ะเราสวดในใจแล้วเราก็เห็นใจมันสวดมนต์ไปเห็นไหมมันสวดของมันเองค่ะมันมันอัตโนมัติเองอะค่ะนั่งดูไปเราเห็นเลยจิตใจนั้มันทํางานได้อัตโนมัติมันไม่ใช่ตัวเราหรอก มันสวดของมันเองใช่ค่ะแล้วสังเกตไหมเวลาโกรธมันก็โกรธของมันเองค่ะเออไปหัดดูนะเวลาโกรธมันก็โกรธเองเวลามันโลบมันก็โลบของมันเองมันมันมาเองค่ะแต่บางทีก็เออรู้ว่ามันโกรธแล้วนะแล้วก็สักพักหนึ่งมันมันก็ไปต่อบางทีมันก็หยุดนะคะเออนั่งดูไปเรื่อยนะเหมือนเราดูคนอื่นไปเรื่อยเราจะเห็นว่ามันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกดูไปเรื่อยๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกทั้งกายทั้งใจแหละ เลย อ, อีกคนล้ตอนส่งใหม่เนี่ยนะเป็นตอนขาดสติง่ายส่วนใหญ่ดีใจไปละมันไม่มาก็กลุ้มใจนะพอมันมาใกล้ก็ตื่นเต้นนะพอได้มาก็อยากให้มันไปคล้ายๆชีวิตสมรสด้วยอวย่างบังคับหน้าดูออกไหมบังคับตัวเองอยู่ พยายลดความตื่นเต้นนะครับอย่าไปลดมันหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าห้ามตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นให้รู้ไปอย่าไปบังคับให้เลิกครับอย่าไปข่มใจครับมีหน้าที่รู้ทันครับระยะนี้รู้สึกมันใจมันจะคิดบ่อยฮะใจมันระยะไหนมันก็คิดทั้งวันแหละไม่มีวันไหนไม่คิดน่ะเนาะแต่ว่าพอมันคิดไปแล้วมันเกิดความสุขให้รู้ คิดแล้วเกิดความทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอะกุศลให้คอยรู้เอาครับนะใจมันคิดมันก็คิดของมันเองเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอะกุศลมันก็เกิดของมันเองดูไปอย่างนี้นะครับนะหลวงพ่อมีเวลาเหลือสี่นาทีต้อนงะขอเวลาวันนี้พระมากนะมาโดยไม่ได้นัดหมาย <laughs> อย่างดีไม่ใช่เป็นทัน <laughs> กราบนรัส ก, การค่ะ อยอมฟังจากซีดีแล้ววันนี้ดีใจที่ได้มาพบหลวงพ่อด้วยตัวเองดีใจเรารู้ไหมทราบเออดีใจแล้วนั่งดูไปยายคนนี้แกดีใจตัวอย่างนี้นะนั่งดูจ ะ, จะขอคําแนะนําเพิ่มเติมด้วยอะไรนะขอคําแนะนําเพิ่มเติมนี่ไงเราคอยรู้สึกไปร่างกายเราขยับเขยื้อนอย่างมันพยักหน้าเนี่ยเราก็เห็นไอ้ยายคนนี้แกพยักหน้านีนมันโกรธขึ้นมาเราเห็นยายคนนี้แกโกรธอย่างเงี้ยนั่งดูเหมือนเราดูคนอื่นไปเรื่อย เห็นไหมแกพยักหน้าอีกแล้วสวัสดีค่ะอืมสวัสดี Good morning แล้วไงก็เห็นเห็นกิเลสไหมวันวันหนึ่งเห็นแล้วมันไม่มันไม่หายอะค่ะอย่าอยากหายเราไม่ได้เห็นเพื่อให้หายนะแต่เราให้เห็นเลยกิเลสมันจะมามันก็มา ไล่มันก็ไม่ไปเรานั่งดูจนเราเห็นเลยเราบังคับมันไม่ได้หรอกทั้งกายทั้งใจนี่ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริงๆเลยเนี่ยตอนนี้ใจแอบไปคิดทราบไหมไม่ทราบหรอเมื่อกี้ใส่หน้าทราบไหมนึกออกไหมเมื่อกี้เผลอไปใส่หน้าคะอ้าวเลยงงไปเลย <c oughs> แล้วไงแล้วไงยอย่าตื่นเต้นไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ดูหรอก ไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วนะไม่มีอะไรนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปนะอายุขนาดนี้เหมาะที่จะภาวนาแก่ๆ แ, แล้วฝึกยากคอยดูใจของเราไปนะจิตใจเรามีความสุขก็รู้จิตใจเราเป็นทุกข์ก็รู้เนะี่ยตอนนี้ใจแอบไปแล้วรู้สึกไหมใจเราหนีไปเที่ยวแล้วหนีไปคิดแล้วนะดูออกกันยัง เออดูออกแล้วผ่านไปอ่ะได้อีกคนสุดท้ายอ่ะคือฝึกมาแบบท่านอาจารย์กโกเองกาค่ะก็ฝึกต่อไปได้นะไม่ผิดอะไรค่ะค่ะแลวคันี้เป็นการจับความรู้สึกบนลงล่างคันนี้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงอย่าไปเพ่งตัวนะอย่าไปเพ่งความรู้สึกให้รู้ไม่ใช่ให้เพ่งแล้วอย่างเราปวดเราเมื่อยขึ้นมาเนียให้เรารู้ไปกายก็ส่วนหนึ่ง ความปวดความเมื่อยก็ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นคนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายปวดหายเมื่อยค่ะข้อ น, ะนี้อันนี้มันเป็นสมถะหรือเปล่าคะที่จิจตจิตไปดูอยู่ทั้งตัวอย่างเงี้ยสมถะอ๋อนะก็ก็จะต้องเหมือนถ้าถ้าเราจะทําให้พัฒนาขึ้นนี้เราควรจะเหมือนก้าวออกมาจากตัวเองแล้วก็ยืนดูตัวเราใช่ใช่ค่ะแต่อย่าจงใจก้าวนะจงใจก้าวบางคนไปทําตัวเหมือนดาวเทียมอยู่ข้างบนเนี้ย แล้วคอยดูย้อนลงมาดูทั้งวันเลยจ้องไม่ให้คลาดสายตาอย่างนี้ก็ไม่ได้เมื่อกี้ใจไหลเป็นหนึ่งแวบบทราบไหมเนี่ยไปอีกแว บ, บหนึ่งแล้วขณะเนี้ยดูออกไหมเนี่ยหัดรู้ไปอย่างนี้นะไปอีกแล้วทราบไหมให้รู้ทันอย่างนี้น ะ, ะถ้าเรารู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาเนี่ยทั้งกายทั้งใจจะไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นเลยไม่ใช่ตัวเราตอนนี้แอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งแล้ว อย่าไปกดจิตไว้อย่างนี้ปล่อยกดมากไปค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากดูออกไหมอืมกำลังกลังพยายามคิดตามที่อย่าคิดมากคิดมากยากนานค่ะให้คอยดูความรู้สึกของเราที่เปลี่ยนแปลงไปนะอย่างตอนนี้เรากดตัวเองให้นิ่งอีกแล้ะรู้สึกไหมไปกดใจให้มันนิ่งๆข่มมันลงไปค่ะอย่าไปข่มมัน ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมของคุณดูอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆจิตใจเรามีความสุขเราก็รู้ไปจิตใจเรามีความทุกข์ก็รู้ไปจิตใจเราเฉยๆก็รู้ไปค่อยดูไปอย่างนี้นะหลายท่านเกรงก้าชอบดูเวทนานี่เราจะวกมาดูเวทนาทางใจเลยนะขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะอะแถมคนสุดท้ายมีไหม ไม่มีอะไรก็ผ่านไปยังยังติดอยู่อีกหรือเปล่าครับหลนติดเยอะว่ามันยังทื่อๆนึกว่ามันยังจะหลุดไปแล้วเอ้ยยังทื่อๆอยู่รู้สึกไหมกดไว้นิดหนึ่งมันไม่ยอมหายครับอย่าอยากหายผมไปดูดังมาแล้วมันก็ยังติดอยู่ครับต้องร้องเพลงสักหน่อยเนี่ยชมพูรู้สึกไหมจิตมันหมดแรงหล่นลงไปเมื่อกี้เนี่ยนะเปนไม่เที่ยง ถ้าชำ น, นิชำ น, นาญ น, นะบางทีมอยู่ตรงนี้ได้หลายๆเดือนเลยเอาวันนี้ได้แค่นี้เชิญโยมกลับบ้านไป